บทที่3อธิบายศัพ์เนื่องจากคำสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่มีศัพ์เฉพาะหรือเทคนิค c a l ลเทอมอยู่หลายคำบางคำเป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีอภิธรรมรองรับอยู่แล้วแต่บางคำเป็นคำที่หลวงปู่บัญญัติขึ้นใช้เองตามสภาวะที่ท่านรู้เห็นดังนั้น เพื่อให้การทำความเข้าใจหลักธรรมเรื่องอริยสัจแห่งจิตของลุงปู่เป็นไปโดยง่ายและถูกต้องผู้เขียนจำเป็นต้องอธิบายสัพท์เฉพาะแต่ละคาเสียก่อน 3.1 จิตจิตเป็นปรมัตรธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่งใน4อย่างปรมัตรธรรมมี4อย่างคือ 1. จิต ได้แก่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ 2. เจตสิกได้แก่สภาวธรรมที่ประกอบจิตซึ่งได้แก่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้และสังขารคือความปรุงแต่งทางใจอื่นๆเช่นศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านและหดหู ้น 3. รูปได้แก่ธรรมชาติที่ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนและความเย็นเป็นต้นและ 4. นิพพานได้แก่สันติคือความสงบจากกิเลสและสงบจากขันจิตเป็นนามธรรมจึงไม่มีรูปร่างสีเสียงกลิ่นรส และจับต้องไม่ได้ด้วยร่างกายแต่ผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้ถึงความมีอยู่ของจิตได้ด้วยความรู้สึกโดยรู้ถึงลักษณะเฉพาะของจิตซึ่งแตกต่างจากสภาวธรรมอย่างอื่นทำให้รู้ว่าอันนี้คือจิตอันนี้ไม่ใช่จิตลักษณะเฉพาะของจิตเป็นหนึ่งในลัคณาทิจตุกะของจิตซึ่งลัคณาทิจตุกะ แปลว่าองค์ประกอบสอย่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นเบื้องต้นลัคนาทิจตุกะของจิตประกอบด้วย 1. มีการรับรู้อารมณ์เป็นลักษณะเฉพาะตัว 2. มีหน้าที่เป็นประธานของสภาวธรรมทั้งปวงดังที่พูดกันบ่อยๆว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จได้ด้วยใจ 3. มีการเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏและ 4. มีรูปธรรมและนามธรรมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อลักษณะเฉพาะตัวของจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดังนั้นสิ่งใดเป็นผู้รู้อารมณ์สิ่งนั้นคือจิตสิ่งใดถูกรู้ สิ่งนั้นไม่ใช่จิตบางครั้งครูบาอาจารย์วัดป่าจึงเรียกจิตว่าผู้รู้คือเรียกตามลักษณะเฉพาะตัวของจิตนั่นเองและเรียกอารมณ์ว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์เมื่อใดมีอารมณ์เมื่อนั้นต้องมีจิต จิตจะอยู่โดดๆโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ดังนั้นคำว่าจิตว่างจึงไม่มีจริงเพราะจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์เพียงแต่สามารถว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งและว่างจากการเสวยอารมณ์ได้ที่ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั้นจิตต้องอาศัยอาญตนะ คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางไปรับรู้อารมณ์คืออาศัยรู้รูปด้วยตาอาศัยได้ยินเสียงด้วยหูอาศัยได้กลิ่นด้วยจมูกอาศัยรู้รสด้วยลิ้นอาศัยรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวด้วยประสาทกายและอาศัยรู้ธรรมารมด้วยใจทั้งนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมารมมีหลายอย่าง ได้แก่รูปบางอย่างนามทุกอย่างนิพพานและอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายคราวนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งคือในเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็แล้วอะไรเป็นผู้รู้จิตคำตอบนี้จะอธิบายเมื่อกล่าวถึงนิยามของคำว่าจิตเห็นจิตจิตมีธรรมชาติดิ้นรน กัดแวงรักษายากห้ามยากมักถูกอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจครอบงำจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาทางทวารต่างๆคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่เกิดได้ทีละดวงเดียวอย่างไรก็ตามจิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้คือจะฝึกให้เลวก็ได้ จะฝึกให้ดีก็ได้จิตนั้นโดยตัวมันเองผ่องใสแต่ไม่จัดว่าดีหรือเลวในตัวเองจะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์ต้องอาศัยเจตสิกมาประกอบเปรียบเหมือนน้ำที่ปราศจากสีกลิ่นและรสจะเกิดสีกลิ่นและรสได้เพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปเจือปนอยู่ จิตมีความสามารถปรุงแต่งสิ่งต่างๆได้อย่างกว้างขวางพิสดารสำนวนคำพีนิยมใช้คำว่าจิตสามารถทำธรรมชาติทั้งหลายให้วิจิตซึ่งทำได้หกประการด้วยกันคือนึงเพราะจิตนี้เองจึงทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆมีความประพฤต์แตกต่างกันไปและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างน่าดูน่าแปลกหรือน่าชม 2. ตัวจิตเองก็วิจิตพิสดารคือมีทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากและเป็นกิริยาจิตวิบากในที่นี้หมายถึงผลของกรรมไม่ดีหรือชั่วในตัวเอง 3. จิตเป็นผู้สั่งสมบุญและบาปและสั่งสมแบบข้ามภพข้ามชาติได้ทีเดียวอย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ควรคิดว่าจิตเป็นอมะตะคือมีอยู่ดวงเดียวและเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆโดยขนเอาบุญและบาปติดตัวไปด้วยเพราะแท้จริงจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแบบดวงหนึ่งดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วถ่ายโอนบุญและบาปสืบต่อกันไปเรื่อยๆทำนองเดียวกับพ่อแม่ที่ถ่ายโอนมรดกหรือหนี้สินไปยังลูก 4. จิตเป็นผู้รักษาวิบากหรือผลของกรรมไว้เพื่อรอโอกาสให้ผลเมื่อถึงโอกาสซึ่งวิบากนี้ก็ถ่ายโอนข้ามภพข้ามชาติได้เช่นเดียวกับบุญและบาป 5. จิตสะสมนิสัยสันดานทั้งดีและชั่วไว้ได้และสั่งสมข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยและ 6. จิตรับอารมณ์ต่างๆทางถานรทั้งหกอยู่เสมอ ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายจะไหลเวียนสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาที่มีจิตจิตนั้นนอกจากทำหน้าที่รู้อารมณ์ที่ปรากฏตัางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วยังทำหน้าที่อย่างอื่นออีกรวมหน้าที่ทั้งหมดถึง14อย่างซึ่งนับว่าหน้าที่มากสมกับที่เป็นประธานของรูปนามทั้งปวงหน้าที่ของจิตได้แก่ 1. ปฏิสนธิกิ คือสืบต่อพบใหม่หรือเกิด 2. พวังขกิจคือรักษาภพชาตินั้นๆเอาไว้ 3. อาวัชนกิจคือน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ปรากฏใหม่ 4. ทัศนกิจคือเห็น 5. สวัณกิจคือได้ยิน 6. กายนากิจคือได้กลิน่น สาญนาคิตคือรู้รถ 8. ปุสนา ก, กิตคือรู้การกระทบทางกาย 9. สัมปติชน ก, กิตคือรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและกายสืบต่อจากจิตที่ทําหน้าที่ตามข้อ4ถึงข้อ8 10. สันตีรน ก, กิตคือพิจารณาอารมณ์สืบต่อจากจิตที่ทําหน้าที่ตามข้อ9 สิโวตถับพน ก, กิจคือตัดสินอารมณ์สืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ10 12. ิชวนากิจคือเสพอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลสืบต่อจากจิตที่ทำหน้าที่ตามข้อ11 13. อ็ามตาาลำพน ก, กิจคือรับอารมณ์ที่เหลือจากชาวนะคล้ายๆกับการทำ ง, งานของคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการเทิร์นออฟจุติกิจคือเคลื่อนจากพบหรือตายขอให้เพื่อนนักปฏิบัติศึกษาเรื่องจิตเอาไว้ให้ดีมิฉะนั้นจะเกิดความไข้เขวได้ตั้งมากมายเช่นไปดูสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จิตโดยคิดว่ากำลังดูจิตอยู่ไปสำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่จิตว่าเป็นจิตหรือไปคิดว่าตอนบรรลุมรรคผล ซึ่งเห็นนิพพานอันเป็นธรรมารมอย่างหนึ่งนั้นไม่มีจิตเป็นตน้น 3.2 จิตส่งออกนอกคำว่าจิตส่งออกนอกเป็นคำที่หลวงปู่บัญญัติขึ้นใช้เองโดยพิจารณาจากอาการของจิตที่ไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์ผู้เขียนเองก็ใช้คำหลายคำ เมื่อกล่าวถึงจิตที่ไม่ตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์เช่นจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ถึงฐานจิตขาดสัมมาสมาธิจิตหลงไปจิตถล่มไปจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เป็นต้นแล้วแต่ว่าจะกล่าวกับผู้ใดโดยเล็งถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะเข้าใจสภาวะที่กาลังเป็นอยู่เป็นสาคัญโดยผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าจิตเคลื่อนไปสู่อารมณ์ เพราะทยานอยากหรือหิวอารมณ์และเกิดความลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจตนเองขึ้นเพราะมัวแต่หลงอารมณ์อันเป็นอาญตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมณ์ต่างๆคําคว่าจิตส่งออกนอกของหลวงปู่ครอบคลุมถึงความหลงในการรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมณ์ และอาการหลงนั้นอาจจะเป็นความหลงเพลินในอารมณ์หรือหลงเพ่งอารมณ์ก็ได้ผู้เขียนเคยเกิดความสําคัญผิดเมื่อได้ยินหลวงปู่สอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือเข้าใจเอาว่าท่านสอนให้ส่งจิตถลำเข้าไปรู้อารมณ์ภายในจิตไม่ให้หลงไปทางตาหูจมูกลิน้นและกายเท่านั้นครั้งนั้นยังไม่มีโอกาสไปส่งการบ้านกับหลวงปู่ แต่มีโอกาสได้กราบพบครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่สิมพุทธาจาโรแห่งถ้ำผาปล่องท่านก็เมตตาชี้แนะแก้ไขไม่ให้จิตถลาตามไปรู้อารมณ์ส่วนลึกภายในเพื่อให้จิตตั้งมั่นในขณะที่รู้อารมณ์ทั้งภายนอกและภายในเหมือนคนที่นั่งดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่บนอัตจันทร์ไม่กระโจนลงไปในสนามฟุตบอลเสียเองหลังจากนั้น ก็ได้ ก, กราบพบหลวงปู่เทศเทศะรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งหลวงปู่เทศท่านก็กรุณาขยายความคําว่าส่งจิตออกนอกครอบคลุมทั้งการส่งจิตออกไปรู้อารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นและกายและครอบคลุมไปถึงการส่งจิตถลําเข้าไปรู้อารมณ์ภายในจิตด้วยท่านสรุปให้ว่าไม่ส่งนอกไม่ส่งใน ให้รู้อยู่เป็นกลางๆถึงตรงนี้ผู้เขียนจึงเกิดความเข้าใจขึ้นว่าจิตส่งนอกก็คือหลงไปทางอายตนะภายนอกจิตส่งในก็คือหลงไปทางอายตนะภายในจิตส่งนอกก็คือหลงในการมาสุขขันกานุโยคจิตส่งในก็คือหลงในอตตกิละมะฐานุโยคจิตส่งนอกก็คือหลงที่ไกล จิตส่งในก็คือหลงที่ใกล้จิตส่งนอกก็คือหลงพบหยาบจิตส่งในก็คือหลงพบละเอียดซึ่งทั้งหมดนี้หลวงปู่เรียกว่าจิตส่งนอกทั้งหมดเมื่อหลวงปู่เทศสอนให้รู้อย่างเป็นกลางกลางประกอบกับเคยได้ยินว่าหลวงปู่ดูลสอนอุบายธรรมแก่ท่านผู้อื่นว่าให้เจริญจิต ให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยผู้เขียนซึ่งโง่เขลาก็เข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์ผิดอีกจนได้คือไปพยายามประคองจิตให้หยุดความปรุงแต่งทุกอย่างและนิ่งสนิทอยู่กับรู้อันเป็นกลางๆไม่ยอมให้จิตขยับเขยื้อนหรือไหวตัวยิบยับแม้แต่นิดเดียวหารู้ไม่ว่าการปรุงแต่งความหยุดก็คือความปรุงแต่ง เป็นการส่งจิตออกนอกอีกอย่างหนึ่งเพราะแม้จิตจะดูเหมือนเหมือนตั้งมั่นนิ่งและว่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไปด้วยสติปัญญากลายเป็นตั้งมั่นนิ่งว่างอยู่ด้วยการเพ่งหรือการประคองอันเกิดจากโลภเจตนาที่จะปฏิบัติธรรมจึงเป็นการสร้างพบละเอียดชนิดหนึ่งชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะเท่านั้นเอง สรุปแล้วไม่ว่าจิตจะส่งไปภายนอกหรือส่งเข้าภายในหรือประคองไว้เป็นกลางๆงก็ล้วนแต่อยู่ในความหมายของคาว่าจิตส่งออกนอกคือถ้านอกเหนือจากการรู้ไปตามปกติธรรมดาก็จัดว่าเป็นจิตส่งออกนอกทั้งสิน้นและหากจะกล่าวให้ตรงกับพระประยะิยัติธรรมแล้วอาการที่จิตส่งออกนอกก็คืออาการของตัณหานั่นเอง ตัณหาเป็นความโลภเป็นความหิวอารมณ์ของจิตและเป็นความทยานประยุธ์อารมณ์ด้วยความอยากของจิตดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 3.3 สมสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาซึ่งองค์ธรรมของตัณหาก็คือโลภะหรือความอยาก โลภะนั้นมีสองสถานะคือในสถานะที่เป็นกิเลสตัวหนึ่งก็จัดอยู่ในสังขารขันอันจัดว่าเป็นกองทุกเมื่อโลภะเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจึงพึงรู้ตามกิจต่อทุกขในอริยสัจอีกสถานะหนึ่งเป็นตัวสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกผู้ปฏิบัติจึงพึงละตามกิจต่อสมุทยัยในอริยสัจ วิธีสังเกตว่าโลภะนั้นเป็นทุกข์หรือสมุทัยให้ดูที่จิตถ้าโลภะไหลผ่านกามาสู่ความรับรู้ของจิตโลภะนั้นจัดว่ายังอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าโลภะนั้นมีกำลังผลักดันให้จิตเกิดการกระทากรรมโลภะนั้นกำลังทาหน้าที่ในฐานะสมุทัยคือเป็นตันหาซึ่งกำลังผลักดันให้เกิดภพหรือการทางานทางใจ กรรมในที่นี้หมายถึงการทำงานทางใจโดยเจตนาเรียกว่าภพหรือกรรมภพสามจุกสี่ทุกองธรรมของทุกขได้แก่อุปาทานขันหรือรูปนามอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นของจิตแต่อาการปรากฏของทุกข์ที่คนเรารู้จักก็เช่นความแก่ความเจ็บ ความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความโศกความร่ำไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความหิวแห้งใจเป็นต้น 3.5 จหจิตเห็นจิต ได้กล่าวแล้วในข้อ 3.1 ว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จึงเกิดปัญหาว่าแล้วอะไรเป็นเครื่องรู้จิตหลวงปู่ได้ตอบปัญหานี้ไว้แล้วอย่างถูกต้องว่าจิตเห็นจิตหมายถึงจิตดวงปัจจุบันมีสติไปรู้จิตดวงที่ดับไปแล้วสดสดร้อนๆในความเป็นจริงจิตไม่ได้มีเพียงดวงเดียว แล้วคงทนถาวรอยู่ในรันดรดังที่คนทั่วไปเข้าใจกันหากแต่จิตเกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อทําหน้าที่รู้อารมณ์เมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปแล้วหากจิตดวงใหม่มีสติไประลึกรู้จิตดวงเดิมจิตดวงเดิมซึ่งหมดสถานะจากธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไปแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปเป็นอารมณ์ ให้จิตดวงใหม่รู้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าสติเป็นอนัตตาดังนั้นทำอย่างไรสติจะเกิดระลึกรู้จิตดวงที่เพิ่งดับไปแล้วได้เนึงเนืองเพื่อให้เกิดกระบวนการจิตเห็นจิตตามคำสอนของหลวงปู่คำตอบในเรื่องนี้ก็คือผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องหัดตามรู้จิตเนึงเนืองจนจิต จดจำสภาวะของจิตได้แม่นยำหรือมีธิระสัญญาแล้วสติจะเกิดตามระลึกรู้จิตที่เพิ่งดับไปได้เอง 3.6 อย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตได้ด้วยเครื่องมือคือสติอันเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตดวงที่เพิ่งดับไป แต่จิตจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งได้ด้วยปัญญาคำว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ปัญญามีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นเหตุใกล้ให้เกิดผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีจิตตะศิขาให้เพียงพอจนจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตได้เอง จิตตสิขาหรือการศึกษาเรื่องจิตเพื่อให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นกระทำได้สองแบบแบบแรกทำความสงบลึกถึงขั้นฌานจนเกิดเอโกติภาวะคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูของจิตอีกแบบหนึ่งใช้ความสังเกตจิตจนรู้ว่าจิตที่ไม่ตั้งมั่นกำลังปรากฏอยู่ แล้วจิตจะเกิดความตั้งมั่นชั่วขณะได้เองโดยอัตโนมัติอ่านเรื่องจิตสิกขาได้จากหนังสือวิมุตติมักซึ่งผู้เขียนได้พิมพ์แจกทั่วไปแล้ว 3.7 มจุดมักมักแปลว่าหนทางมีหลายชนิดเช่นถนนหนทางก็ชื่อว่ามักเพราะเป็นทางไปสู่ที่หมาย สมถกรรมฐานก็ชื่อว่ามักเพราะเป็นทางไปสู่พรหมโลกวิปัสสนากรรมฐานก็ชื่อว่ามักซึ่งเรียกว่าบุพพากรรมเพราะเป็นทางดำเนินไปสู่อริยมัจและอริยมัจ ก, ก็ชื่อว่ามักเพราะเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงคือนิพพานอริยมักมีเพียงหนึ่งแต่มีองค์ธรรมจานวนมาก เพราะมักมีองค์ประกอบถึง8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบคือปัญญารู้แจ้งอริยสัจสอ 2. สัมมาสังกัปปะแปลว่าความดำริชอบคือดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนมุ่งร้าย 3. สัมมาวาจา แปลว่าวาจาชอบคือวจีสุจริต4ประการได้แก่การไม่พูดเท็จการไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยกกันการไม่พูดคำหยาบและการไม่พูดเพ้อเจ้อ 4. สัมมากัมมันตะแปลว่าการกระทำชอบคือกายสุจริต3ประการได้แก่การไม่ฆ่าหรือทาร้ายสัตว์ การไม่ลักทรัพย์และการไม่ประพฤติผิดในการมหสัมมาอาชีวะแปลว่าการเลี้ยงชีพชอบคือเว้นมิจฉาชีพประกอบสัมมาชีพ 6. สัมมาวายามะแปลว่าความเพียรชอบคือเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิด เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดและเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามไั่บูรณ์ 7. สัมมาสติแปลว่าความระลึกชอบคือการเจริญสติปัฏฐานและ8สัมมาสมาธิแปลว่าสมาธิชอบคือความตั้งมั่นของจิตในระดับฌานทั้งนี้ สัมมาสมาธิจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางหรือเป็นที่ประชุมขององค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือถ้าปราศจากสัมมาสมาธิแล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหลายไม่สามารถรวมตัวเข้าช่วยกันล้างกิเลสได้เรื่องสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้ดีเพราะสมาธิที่ผู้ปฏิบัติจำนวนมากทำกันอยู่นั้นเป็นมิจฉาสมาธิ เรื่องนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือวิมุตติมักที่ผู้เขียนได้เขียนแจกไว้แล้วมีข้อน่าสังเกตว่าอาริยมักประกอบด้วยองค์ธรรมจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นเจตสิก ค, คือธรรมที่ประกอบกับจิตดังนั้นในขณะที่เกิดอริยมักซึ่งมีเจตสิกธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นซึ่งมากกว่า30ดวงนั้นจะต้องมีจิตเกิดร่วมด้วยอย่างแน่นอน เพราะเจตสิกเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตและจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเป็นที่น่าสลดใจที่มีการเผยแพร่ธรรมะกันในลักษณะที่ว่าขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นจิตดับหมดคือผู้ปฏิบัติวูบหมดความรู้สึกตัวเหลือแต่ร่างกายนั่งแข็งทื่ออยู่เท่านั้นนั่นไม่ใช่อริยมรรคเลยแต่เป็นภพภูมิชนิดหนึ่งชื่อว่าอสัญญาสัตตาภูมิ หรือพรมลูกฟักความจริงในขณะที่เกิดอริยมรรต์ต้องมีจิตชื่อว่ามรรคจิตซึ่งจาแนกโดยย่อดได้สี่ดวงคือโสดาปติมรรตจิตสกิทาคามิมรรตจิตอนาคามิมรรตจิตและอรหัตมรรตจิตและอริยมรรตทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดเพียงครั้งละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นรวมแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สามารถเกิดอริยมรรคได้เพียงสครั้งและครั้งละ1ขณะจิตตลอดการเดินทางในสังสารวัฏไม่มีการเกิดอริยมรรคเป็นครั้งที่5อย่างเด็ดขาด 3.8 นิโรดนิโรดแปลว่าความดับทุกมี5อย่างคือ 3.8.1 วิคัมพณะณนิโรธเป็นการดับชั่วคราวด้วยการข่มไว้คือการดับกิเลส ช, ชั่วคราวของผู้ทาฌานสามารถดับนิวรณได้ชั่วคราวด้วยสมถกรรมฐาน 3.8.2 จุดัดงตทังคณิโรธเป็นการดับชั่วคราวด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับเช่นดับวิปปลาศสีคือความหลงผิดเห็นสิ่งไม่งามว่างามเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งเป็นทุกว่าสุขและเห็นสิ่งเป็นอนัตตาว่าเป็นอตตาด้วยธรรมตรงข้ามอันเกิดจากการเจริญสติปัฏฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้แก่การเห็นรูปนามเป็นอสุภะคือความไม่งามอณิจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน 3.8.3 สมุดเฉตนิโรธ เป็นการดับด้วยตัดขาดคือดับสังโยชน์ได้เด็ดขาดด้วยโลกุตระมักหรืออริยมักในขณะแห่งมักนั้นชื่อว่าสมุดเฉทนิโรธ 3.8.4 ปฏิปัสัตินิโรธเป็นการดับด้วยสงบระงับคืออาศัยโลกุตระมัคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตระผล กิเลสที่สงบระ ง, งับไปแล้วจะไม่เกิดมีอีกไม่ต้องขวนขวายเพื่อดับอีกในขณะแห่งโลกุตรผลนั่นแหละชื่อว่าปฏิปัสตินิโรธเพราะมีความสงบระ ง, งับเด็ดขาดจากกิเลส 3.8.5 นิสรณนิโรธเป็นการดับด้วยการสลัดออกได้เป็นสภาวะที่พรากออกจากขัน ดำรงอยู่ในภาวะที่กิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไปนิสสรณนิโรธคืออมตะาธาตุคือนิพานองค์ธรรมของนิโรธในอริยสัจคือนิสสรณนิโรธหรือนิพานในเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติบรรลุพระอรหันต์นั้นนิโรธคือความพ้นทุกข์เพราะจิตของพระอรหันต์สลัดออกหรือพรากออกจากขันธ์ อันเป็นกองทุกข์หรือจะกล่าวว่าเป็นกิเลสนิพานก็ได้เพราะขันยังมีอยู่แต่ไม่มีกิเลสย้อมจิตใจของพระอรหันต์ได้เมื่อร่างกายของพระอรหันต์แตกดับลงนิโรธก็คือความดับทุกข์หรือความดับสนิทของขันหรือจะกล่าวว่าเป็นขันธนิพานก็ได้และหลังจากนั้นินรธก็คือ ความไม่เกิดมีอีกของทุกคือไม่เกิดมีขันขึ้นมาอีก 3.9 พระอริยเจ้าคำว่าพระอริยเจ้าตามความหมายของลงปูไม่ได้หมายถึงพระอริยบุคคลแปดจำพวกแต่หมา ย, ยาเฉพาะท่านผู้บรรลุอรหัตผลเท่านั้นเพราะท่านระบุว่าพระอริยเจ้านั้น มีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมซึ่งพระเศกบุคคลนับแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีจนถึงพระอนาคามียังมีจิตที่ส่งออกยังมีจิตที่หวั่นไหวและยังมีจิตที่กระเพื่อม 3.10 วิหารธรรมวิหารธรรม คือเครื่องอยู่สบายของจิตซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมอ่านเพิ่มเติมได้ในะเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานในหนังสือประทีปสองธรรมหรือทางเอกก็ได้